คนสมัยนี้ส่วนใหญ่ก็ทุกข์เพราะความคิดทุกข์เพราะ ความเป็นอยู่ที่ไม่สะดวกสบายนะปวดกายคิ้วหอยอันนี้น้อยนะถ้าจะเป็นสมัยก่อนอยู่กันลำบากอาหารก็ไม่ค่อยพอกินนะโรคภัยไข้เจ็บก็เบียดเบียนจะทำอะไรก็ต้องใช้เรี่ยวใช้แรง อันนี้ก็อาจจะเรียกได้ว่าทุกกายเป็นส่วนใหญ่แต่คนสมัยนี้เราอยู่กันแบบสบายทำงานทำการก็ไม่ได้ใช้เรี่ยวใช้แรงอะไรอาหารการกินก็ไม่ได้ขาดแคลนภัยธรรมชาติก็ไม่ค่อยมีมารบกวนเท่าไหร่ อันนี้ถ้าไม่นับคนป่วยคนแก่ที่ร่างกายไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่ถ้าไม่นับคนป่วยคนแก่แล้วนี่คนส่วนใหญ่เรียกว่าไม่ค่อยมีความทุกข์กายเท่าไหร่แต่ว่าความทุกข์ที่มีลองดูเถอะนะมันเป็นความทุกข์ใจสีเยอะ เป็นความทุกข์ใจที่เกิดจากความคิดทุกเรื่องลูกเรื่องหลานทุกเรื่องสามีภรรยาทุกเรื่องเรียนทุกเรื่องการงานทุกเพราะเรื่องหน้าตาศักดิ์ศรีนะอันนี้มันก็ล้วนแต่เป็นเรื่องเกี่ยวกับจิตใจ แล้วก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับความคิดคนเราถ้าหากว่าไม่รู้ทันความคิดแล้วเนี่ยมันก็จะโดนความคิดนี่หลอกเล่นงานแล้วก็เอาความทุกมาซ้ำเติมให้กับตัวเอง ยังอยู่ตรงนี้นะมันก็ไม่มีอะไรจะให้ทุกข์อาจจะรู้สึกเมื่อยบ้างอากาศอาจจะอ้าวบ้างแต่ว่าก็ไม่ได้เป็นเรื่องใหญ่โตอะไรแต่พอใจเนี่ยคิดไปถึงอดีตคิดไปถึงคนรักที่พัดพรากสูญเสียไปคิดถึง ข้าวของที่สูญเสียคิดถึงเงินที่ถูกโกงไปก็จะรู้สึกทุกข์ขึ้นมาทันทีหรือว่าพอนึกไปถึงงานการนึกไปถึงหนี้สินที่ยังไม่ได้จ่ายนึกถึงงานการที่ยังค้างอยู่นึกถึงอะไรต่ออะไรมากมาย ที่เป็นเรื่องอนาคตใจก็จะรู้สึกหนักรู้สึกกังวลอันนี้เรียกว่าทุกข์เพราะความคิดใจแล้วเดี๋ยวพอทำวัดเสร็จกลับไปกุฏินอนคนเดียวพอตกค่ำตกดึกใจมันก็คิดแล้วนะคิดอะไร คิดถึงผีสางนางไม้คิดถึงอะไรที่น่ากลัวมีหรือไม่มีก็ไม่สนใจแล้วเพราะเพียงแต่คิดเนี่ยก็ทำให้กลัวแล้วถึงแม้ไม่มีอยู่คิดว่าจะมีคนเดินอยู่รอบกุฏิ เสียงมันคล้ายๆเสียงคนเดินก็กลัวขึ้นมาแล้วอันนี้ก็เรียกว่าเป็นทุกข์เพราะการปรุงแต่งนะปรุงแต่งคือสร้างภาพขึ้นมาสร้างขึ้นเองแล้วก็กลัวเองบางทีก็ปรุงแต่งเกี่ยวกับเรื่องผู้คน <c oughs> เพื่อน เพื่อนมาแต่เขาไม่ทักทายเราหรือว่าเราทักทายเขาแต่เขาไม่ทักไม่ทักทายตอบก็เก็บเอาไปคิดแล้วว่าเขาโกรธเราหรือเปล่านะคิดเป็นเรื่องเป็นราวเป็นตุเป็นตะว่าเขาไม่พอใจอะไรเราไปไดีเรื่องเรา ของเราที่ไม่ดีจากคนอื่นหรือเปล่านะคิดเองก็ทุกเองอันนี้เพราะว่าไปคิดเอาเองนะก็เป็นเรื่องความคิดเหมือนกันมีคนเขียนจดหมายยังอาตมาอาตมา ไม่ได้ตอบแค่สามสี่วันเขาก็ไม่สบายใจนะเขียนมาขอโทษขอโพยว่าไอ้ที่เขียนไปในจดหมายฉบับก่อนถ้ามีถ้อยคำอะไรที่ไม่ถูกต้องขอโทษด้วยไม่ได้อ่ไม่ได้ตั้งใจเลยนะที่ใช้คำแบบสบายๆเนี่ยคิดไปโน่นเลย คิดเอาเองทั้งนั้นนะก็ต้องอธิบายไปบอกว่าไม่มีอะไรนะไม่มีมันไม่มีอะไรจะไม่มีอะไรจะต้องตอบก็เลยไม่ได้ตอบนะเขาบอกให้เขาคิดเอาเป็นบทเรียนว่าต่อไปอย่าไปปรุงแต่งเอาเองนะคนเราก็เป็นอย่างนี้แหละคิดเอาเองนะแล้วก็ทุกเองบางทียตมา แสดงทำอย่างนี้บางคนเป็นพระก็ดีโยมก็ดีเขาอาจจะรู้สึกไม่สบายใจเพราะเข้าใจว่าอาตมาไปว่าเขามีพระบางรูปเนี่ยก็ฟังไปก็ทุกไปกระสับกระส่ายเพราะเข้าใจว่าอาตมาไปว่าท่าน คิดเอาเองทั้งนั้นนะนี่เดี๋ยวนี้คนเราทุกประเหตุ น, นี้ซะเยอะอันนี้เรียกว่าทุกขพระความคิดนะปรุงแต่งแล้วก็ไม่รู้ทันว่านี่มันเป็นความปรุงแต่งมันไม่ใช่ความจริงแล้วก็ลงเชื่อมันคนเราถ้ารู้ทันความคิดนะก็จะ ทุกน้อยลงกว่าเดิมเยอะเลยนะเพราะว่าที่ทุกกันส่วนใหญ่ก็ทุกเพราะความคิดความคิดนี่เป็นนึกว่าเป็นของเราแต่จริงๆเราเป็นของมันต่างหากคือมันเป็นนายเราถ้าเราไม่รู้ทันความคิดความคิดก็เป็นนายเราสั่งให้เรา ด่าสั่งให้เราทำร้ายคนอื่นสั่งให้เราไปทำสิ่งที่ไม่สมควรหรือบางทีก็ปรุงแต่งเรื่องเราทำให้เราทุกข์เพราะฉะนั้นนี่ต้องต้องรู้ทันความคิดให้ความปรุงแต่งความฟาุ้งซ่านมันเกิดขึ้นได้ก็เพราะลืมตัวนะ ลืมตัวอย่างนั่งอยู่ตรงนี้ถ้านั่งตรงนี้ฟังสิ่งที่อาายมาบรรยายก็ไม่มีอะไรแต่ทันทีที่ลืมตัวมันก็ออกจากปัจจุบันใจก็ตเตลิดไปออกจากศาลานี้ไปที่โน่นที่นี่เสร็จแล้วก็ไปเอาเรื่องทุกข์มาคิดนะอันนี้ทุกข์เพราะลืมตัว เห็นถ้าเรามีสติเนี่ยพอลืมตัวแล้วคิดไปเรื่องโน้เรื่องนี้แล้วก็แลลึกขึ้นมาได้ว่ากําลังนั่งฟังคําบรรยยาอยู่มันก็จะกลับมาสู่ปัจจุบันไอ้ที่เรื่องคิ ด, ค, ดคิดปรุงแต่งต่างๆก็จะวางแต่ถ้าเป็นเรื่องที่ เป็นเรื่องที่ฟุ้งซ่านมากก็มันกลับมาไม่ค่อยได้นะมันก็จะเตลิดไปกว่าจะกลับมาได้ก็คิดคิดปรุงแต่งไปเป็นนาทีนาทีเรื่องราว บ, บางอย่างพอนึกเข้าไปแล้วนี่มันเกิดอารมณ์ขึ้นมาอารมณ์ทั้งบวกและลบพอใจไม่พอใจ จะพอใจหรือไม่พอใจบวกหรือลบ ก, ก็ก็ทำให้จมหายเข้าไปในความคิดแล้วก็เลยยิ่งลืมตัวยิ่งไม่รู้ตัวก็ไปใหญ่แต่ถ้ามีสติมันก็จะระลึกได้ว่ากำลังทำอะไรอยู่ถ้าสติไวสติมีกำลังก็จะพาจิต ก, กลับมาได้ไวขึ้นและมันวางเองนะ ไม่ต้องไปกดไปขม่มมันมันวางเองก็กลับมาอยู่กับปัจจุบันอันนี้คือหน้าที่ของสติอย่างที่พูดไว้แล้วเมื่อสองวันก่อนว่าสติแปลว่าเราลึกได้นะส่วนใหญ่เราลึกเราเราลึกได้ในเรื่องนอกตัวเราลึกได้ว่าวางกุญแจไว้ที่ไหนเราลึกได้ว่านัดกับเพื่อนไว้ ตอนนี้เราลึกได้ว่าตอนนี้ถึงเวลาทําวัดแล้วอันนี้มันเป็นเรื่องเราลึกได้เกี่ยวกับเรื่องนอกตัวซึ่งเราก็ได้ทำอย่างนี้อยู่เป็นประจำคนเราจะอยู่ได้มีชีวิตเป็นปกติได้ก็เพราะเราลึกได้แบบนี้เราลึกได้ว่าตอนนี้ต้องถึงเวลาไปรับลูกแล้วตอนนี้ได้เวลาไปทําวัดได้เวลาไป ฉันอาหารแล้วนี่ระลึกได้ในเรื่องนอกตัวแต่ว่าสิ่งที่เราต้องฝึกกันก็คือระลึกได้ในเรื่องกายเรื่องใจก็คือระลึกได้เรื่องตัวเองอันนี้เราเรียกว่าสัมมาสตินะสติมันมีหลายอย่างสติทั่วๆไปก็ระลึกได้เรื่องนอกตัว ก็มีประโยชน์อยู่ไม่ใช่ไม่มีประโยชนนะ์เดี๋ยวเราลงไปข้างล่างเราก็จำได้แล้วว่าวางรองเท้าที่ไหนอันนี้คือเรื่องนอกตัวถ้าจำไม่ได้นี่ก็ลําบากแล้วนะหรือว่าเดินกลับไปแล้วไม่รู้กุฏิของตัวเองอยู่กุฏิไหนเสร็จเลยหนะลงทางนะแต่ว่าเท่านี้ไม่พอนะเราต้องมีสติรู้กายรู้ใจ ไม่ใช่รู้เรื่องนอกตัวรู้เรื่องตัวเองคือเรื่องกายเรื่องใจเช่นใจเผลอใจลอยอ้าวรู้รู้แล้ววางนะระลึกได้เรื่องกายเรื่องใจความระลึกได้เรื่องกายเรื่องใจก็ทำให้รู้ตัวกลับมาอยู่กับปัจจุบันอันนี้เรียกว่าสัมมาสตินะ สมาสติก็เป็นเรื่องกายเรื่องใจที่จริงสติยังมีหน้าที่อีกหน้าที่หนึ่งนอกจากเรื่องของการระลึกได้ก็คือช่วยในเรื่องการตามการตามรู้อย่างในสติปัฏฐานสี่เนี่ยสติปัฏฐานสี่ก็จะพูดถึงกา ย, ยานุ ป, ปัสนาเวทนานุ ป, ปัสนาจิตานุ ป, ปัสนาธรรมานุ ป, ปัสนา เราลองอ่านดูก็จะพบว่าได้แก่การตามรู้กายในกายอยู่เป็นประจำการตามรู้เวทนาอยู่เป็นประจำตามรู้จิตอยู่เป็นประจำตามรู้ธรรมเป็นประจำไอการตามรู้นี่แหละก็เป็นหน้าที่ของสติอีกเหมือนกันนะตามรู้ในที่นี้ไม่ได้แปลว่าจี้แต่หมายถึงว่ารู้อยู่อย่างต่อเนื่อง ไม่ใช่รู้แบบเพ่งอันนนอกจากเราลึกได้แล้วเนี่ยเราลึกได้ในเรื่องนอกตัวหรือเราลึกได้ในเรื่องกายเรื่องใจแล้วก็ยังหมายถึงการตามรู้การตามรู้นี่แหละที่ทําให้รู้กายรู้ใจนะถ้าตามรู้ได้อย่างต่อเนื่องก็จะรู้กายรู้ใจได้อย่างต่อเนื่องนะมีท่านผู้รู้ท่านอธิบาย งานของสติเอาไว้อย่างสั้นๆแต่ว่าได้ใจความมากอันที่หนึ่งก็คือสติทาหน้าที่ดึงอารมณ์มาสู่จิตอารมณ์ในที่นี้หมายถึงทุกอย่างนะจะเป็นจะเป็นโดยเฉพาะเรื่องของความรู้เรื่องของข้อมูล เช่นจะนึกจะนึกเบอร์โทรศัพท์จะโทรศัพท์ถึงเพื่อนก็จะนึกเบอร์โทรศัพท์ว่าโทรศัพท์อะไรสติก็ทำหน้าที่ไปดึงเอาข้อมูลจากสมองมาให้จิตรับรู้ถ้าสตาสิไม่ดีก็นึกไม่ออกว่าโทรศัพท์เบอร์อะไรนึกว่า เ, เพื่อนเา้าเมื่อเช้าเขาพูดกับเราว่าอย่างไรเขาสั่งเขาฝากงานว่าอย่างไรบ้าง เราก็นึกเอาสิสติก็ทําหน้าที่ไปนึกไปเอาความจําที่มีเมื่อเช้าเนี่ยมาสู่จิตเพื่อให้จิตได้รับรู้ว่าอ๋อเพื่อนเขาสั่งอย่างนี้อย่างนี้อ่าเราก็ทําตามหรือว่าพระเราจะลงไปแกล้งขอพระท่านฝากของซื้ออะไรเราก็นึกขึ้นมาได้อันนี้เป็นหน้าที่ของสติก็คือไปดึงไปดึงอารมณ์มาสู่จิตอีกอันนึงก็คือกํากับจิต อยู่กับอารมณ์กรรมกติจิตยอยู่กับอารมณ์ก็หมายถึงว่าตามรู้นี่เองตามรู้กายตามรู้ใจนะตามรู้เวทนานะรู้แบบไม่ใช่จี้นะแต่ว่ามันรู้แบบเหมือนกับเวลาเรายกมือสร้างจังหวะเนี่ยมันรู้เป็นขณะขณะขณะหลวงพอมเขียนเคยเปรียบว่ามันเหมือนกับเป็นรูปเป็นสายโซ่โซ่เป็นข้อข้อเนี่ยมันต่อกัน คนที่ตามรู้ได้ต่อเนื่องก็เหมือนกับว่าโซ่มันต่อกันได้เป็นสายยาวคนที่ตามรู้ไม่ไ ม, ไม่ต่อเนื่องก็เหมือนกับว่ามันมีเป็นโซ่เส้นเส้นเส้นเป็นโซ่เส้นสั้นๆนะมีสองสามข้อแล้วก็ขาดแล้วก็ต่อใหม่สองสามข้อแล้วก็ขาดอันนี้เป็นสติคนทั่วไปเวลายกมือสร้างจังหวะ คือมันไม่ต่อเนื่องแต่ถ้าใครจี้ใครเพ่งเนี่ยมันก็จะมันก็เป็นเหล็กเป็นสายเป็นเส้นเป็นเส้นยาวๆเนี่ยถ้าใครปฏิบัติแล้วรู้สึกแบบนี้ว่าความรู้สึกมันยาวเป็นเส้นนี่ก็แสดงว่าเพ่งละแต่ถ้ารู้สึกว่าความคิดความรู้สึกตัวมันมันเป็นขณะขณะมันต่อกันต่อบ้างขาดบ้างอ่าอันนี้ไม่เป็นไรแต่ให้รู้ว่าเนี่ยคือความรู้สึกตัว ที่เกิดจากการมีสติรู้นีไม่ใช่เพ่งการตามตามรู้อย่างนี้แหละก็เป็นเรื่องที่เราต้องฝึกเอาเจริญสติที่เราทําจะเป็นการสร้างจังหวะเดินจงกลมก็ทําให้เราเราลึกในเรื่องกายเรื่องใจได้ดีขึ้นแล้วก็ทําให้เราตามรู้กายได้อย่างต่อเนื่อง สิ่งที่ตามมาก็คือความรู้สึกตัวจะมีความรู้สึกตัวนะความรู้สึกตัวก็ทำให้เราจิตใจโปร่งเบานะเพราะว่าที่ทุกข์ก็เพราะว่ามันไม่รู้สึกตัวมันลืมตัวเราก็เลยไปยึดเอาความคิดปรุงแต่งไปยึดเอาเรื่องราวแน่ดีตมาแบกเอาไว้ให้ทุกข์ให้กังวลใจ นะอันนี้พอลืมตัวก็เลยไปเผลอแบกของหนักแต่พอรู้ตัวขึ้นมันก็วางพอวางแล้วก็สบายเมื่อรู้ตัวแล้วจิตจะแส่สายไปสู่อดีตอนาคตมันก็ไม่ได้จิตเผลอส่งออกนอกเนะช่นไปเห็นภาพธรรมชาติสวยงาม ภาะที่กำลังขึ้นนะดอกไม้งามใจก็ไปปักอยู่ตรงสิ่งนั้นอันนี้เรียกว่าส่งจิตออกนอกพอความลืมตัวพอรู้ตัวขึ้นมาก็ถอนจิตออกมากลับมาอยู่กับปัจจุบันเหมือนกับบางคนที่เห็นผู้หญิงแล้วก็ตะลึงนะจดจ้องอยู่ไม่วางอันนี้ก็ เรียกว่าลืมตัวจิตมันก็เลยไปแช่ไปปักอยู่สิ่งนอกตัวคือผู้หญิงคนนั้นแต่พอรู้ตัวขึ้นมาจิตก็กลับมาอยู่กับปัจจุบันอยู่กับเนื้อกับตัวนะอยู่กับปัจจุบันก็คืออยู่กับเนื้อกับตัวนะภาษาไทยก็มีหลายคําที่อธิบายได้ให้เห็นภาพก็คือว่าจิตกลับมาอยู่กับเนื้อกับตัว เมื่อจิตกรรมมาอยู่กับเนื้อกับตัวก็มีความรู้สึกตัวทั่วพร้อมนะความรู้สึกตัวทั่วพร้อมก็ทำให้โปร่งเบานะมันก็จะทำให้ไม่แสบสายมันไปด้วยกันนะพอรู้สึกตัวทั่วพร้อมแล้วนะก็จะโปร่งเบาพอจิตแสบสายหรือว่าสรงจิตออกนอกสติก็ ทำงานแล้วลึกรู้พาจิตกลับมาอยู่กับปัจจุบันพอมาอยู่กับปัจจุบันก็รู้สึกก็อยู่กับเนื้อกับตัวอยู่กับเนื้อกับตัวก็รู้สึกตัวขึ้นมานีอันนี้เป็นการเป็นการปฏิบัติเป็นหลักการปฏิบัติที่เราต้องเข้าใจเพราะถ้าไม่เข้าใจแล้วการปฏิบัติของเราก็า จ, จะผิดที่ผิดทาง ส่วนใหญ่ก็จะกลายเป็นการเพ่งไปเพ่งเพื่อจะเอาความสงบเพ่งเพื่อที่จะไม่ให้มันคิดเราต้องการควบคุมบังคับจิตเอาไว้ไม่ให้คิดแต่การทำอย่างนี้จะไม่ทำให้สตินะเติบโตอย่างเป็นธรรมชาติความระลึกได้โดยไม่ตั้งใจก็จะไม่ค่อยเกิดขึ้นเท่าไหร่ อย่างที่บอกไว้วก่อนว่าสติที่เกิดจากความตั้งใจก็มีสติที่เกิดจากความไม่ตั้งใจก็มีสติที่เกิดจากความตั้งใจคือาการที่เราตั้งใจระลึกว่ า, าระลึกเรื่องนั้นเรื่องนี้ตั้งใจระลึกหรือจําให้ได้ว่าเพื่อนโทรศัพท์เบอร์อะไรเขาพูดอะไรกับเราไว้เมื่อเช้านี่คือความตั้งใจแต่ว่าที่มันจะช่วยเราได้ก็คือสติหรือความระลึกได้ที่เกิดขึ้นโดยไม่ตั้งใจ เช่นทำอะไรเพลินเพนแล้วก็นึกขึ้นมาได้หรือกําลังโกรธอยู่ก็นึกขึ้นมาได้เกือบไปแล้วไง น, นะเกือบไปแล้วนะโกรธอยู่กำลังจะด่ากําลังจะทำร้ายเขาแล้วก็ได้สติขึ้นมานเกือบโกรธอยู่แล้วก็คว้าปืนมาจะไปยิงเา้า แต่แล้วมีสติขึ้นมาได้โอ้เกอบไปแล้วให้ความรลือลึกได้เนี่ยตรงเนี้ยมันเกิดโดยไม่ตั้งใจตอนนั้นเนี่ยจิตมันคิดแต่จะทำร้ายคนอื่นแต่พอสติเกิดขึ้นมาก็เลิกทันทีบางทีก็ต้องอาศัยคนช่วยเตือนหรือว่าคนช่วยทำให้มีสตินะ อย่างเช่นมีเมื่อเมื่อสักหลายเดือนก่อนมีผู้ชายคนหนึ่งก็ไปรับลูกที่โรงเรียนโรงเรียนนี้เป็นโรงเรียนคนมีเงินวันนั้นเนี่ยก็จะมีรถมาจอดรับลูกนี่เยอะมากและสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่ารถติดนะหาที่จอดรถลําบากโรงเรียนก็ตั้งกดว่าต้องให้รถเดินทางเดียววันเวย์ ผู้ปกครองคนหนึ่งนะกลัวว่าจะไม่มีที่จอดรถแล้วก็ไม่อยากจะรอรถติด ก, ก็เลยแล่นสวนมาผิดจติกานะแล้วก็เลยไปไปจอดรถได้คันที่เกือบจะได้ที่จอดรถอยู่แล้ว <c oughs> ก็เลยอดไป <c oughs> เขาก็เลยโกรธ <c oughs> ก็เลยขับรถมา <c oughs> ก็เลยจอดรถมาต่อว่าคนที่มาแซง ผิดกติกาโต้เถียงไปโตเถียงมาคนที่ทําผิดกติกาเนี่ยก็โมโหเขาเป็นทหารทหารนี่ใครมาเถียงนี่ไม่ได้จะโกรธเนี่ยพูดก่อนตอนตอ น, ตอนนี้เขาก็ถามก็ก็พูดตะคอกไปที่คนนี่มาตอว่าว่ารู้ไหมว่าอ้วกเป็นใครเดี๋ยวนี้คน ชอบพูดประโยคนี้ไหมรู้ไหมอ้วกเป็นใครเป็นนี่เป็นลักษณะเด่นของคนไทยนะประเทศอื่นไม่ค่อยมีคนพูดอย่างนี้นะรู้ไหมอ้วกเป็นใครรู้ไหมอ้วเป็นลูกใครแต่คนไทยนี่พูดประโยคนี้บ่อยมากนะไม่เฉพาะแต่ทหารตำรวจนะคนนั้นก็บอกอุผมไม่สนใจแล้วคุณเป็นใครนะแต่คุณทําผิดกฎ ล้วก็ว่าเขาก็โกรธทหารก็มีปืนอยู่แล้วในรถไปคว้าปืนออกมาคนที่ต่อว่าเขาก็เพลินทันหลังกลับพอดีเดินกลับไปที่รถให้คนที่ถูกต่อว่าก็คว้าปืนมาเดินเข้าใส่เพลินตรงนั้นเนี่ยมันมีพนักงานจอดพนักงานขับรถของโรงเรียนอยู่เข า, าเห็นเหตุการณ์นี้เขาก็ฉลาดนะ เหตุในการนี้หลบถ้าเป็นเราเราจะทำอย่างไรถ้าไปขวางก็อาจจะโดนยิงหรือว่าจะถูกทำลายแต่เขาก็ฉลาดเขาก็เข้าไปเดินเข้าไปใกล้ๆแล้วก็พูดกับทหารคนนั้นว่าพี่พี่มารับลูกพี่มารับลูกไม่ใช่หรือครับพูดอย่างเงี้ยพูดง่า ย, าย au, ๆเบาๆสุภาพ พี่มารับลูกไม่ใช่หรือครับพอพูดชนนี้ทหารคนนั้นก็รู้สึกตัวขึ้นมาเลยได้สตินะเกิดจะไปยิงเขาละพอมีคนพูดถึงลูกขึ้นมานี่สติกลับมาเลยความโกรธนี่หายเลยนะแล้วก็เลยเอาปืนไปเก็บนะถ้าไม่มีใครเตือนสติก็อาจจะฆ่าหรือยิง คนตายเสร็จแล้วก็อาจจะเดือดร้อนนะลูกก็เดือดร้อนไปด้วยพอพ่อติดคุกเนะนี่ยเป็นสติที่เกิดขึ้นมาโดยไม่ตั้งใจแต่ว่าในกรณีนี้ต้องมีคนมาช่วยเตือนสติแต่ในชีวิต จ, จริงคนเราที่อาจจะไม่มีใครมาเตือนสติแบบนั้นก็ได้ต้องให้สติของเรามาเตือนเองและจะเตือนเองไงก็ต้องฝึก ให้มันไวให้มันไวจกนกระทั่งพอโกรธก็รู้ว่าโกรธนะความรู้สึกตัวความระลึกได้เกิดขึ้นทันทีเมื่อกี้จะไปยิงลูกเม่ไจะไปยิงคนเขานึกขึ้นมาได้วันนี้เรามารับลูกเนี่ยเราไม่ได้มามาทําร้ายใครความระลึกได้ว่าเรามารับลูกดีกว่านะ หรือเราลึกได้ว่าถ้าไปยิงเขาติดคุกติดตารางนะไอตอนจะไปยิงเขามันไม่ได้นึก น, นะมันไม่ได้นึกอะไรเลยลูกเลิกก็ไม่ได้นึกแต่พอมีคนมาทวงเขาออกนึกถึงลูกขึ้นมานึกได้ว่าเรามารับลูก น, ะ น, นี่สติใ น, นสติถ้าเราฝึกอยู่ บ, บ่อยๆมันก็จะออกมาไวไม่ต้องรอให้โกรธเราไม่ต้องรอให้มีคนมาเตือน นสตินี่เราก็ฝึกจากการปฏิบัตินี่แหละนะฝึกจากการปฏิบัติแล้วก็ไม่ใช่ปฏิบัติในรูปแบบอย่างเดียวเพราะว่าการตามรู้กายในกายตามรู้จิตในจิตเนี่ยนะมันทําได้ตลอดเวลาตั้งแต่ตื่นนอนจนเข้านอนหรือแม้แต่ตามไปในฝันก็ยังได้เวนะลากินข้าวเวลาทําครัวก็ เป็นการเจริญสติได้หรือแม้แต่เวลาเวลาคุยกับคนเราคุยกับคนเราก็คุยอย่างมีสติได้คุยอย่างมีสติก็คือว่าคุยแบบไม่ใช่น้ำลายฟูมปากเอ้ไม่ใช่น้าลายแตกฟองน้ำลายฟูมปากนะั่นมันมันไม่ใช่แล้วต้องน้ำลายแตกฟองนะบางทีคนคุยไม่มีสติน้ำลายแตกฟองนะเพลินมันดีนะอันนี้เรียว่คุยแบบไม่มีสติ หรือไม่ก็เวลาสนทนากันพอคุยเรื่องสนุกสนุกใจก็ลอยคิดไปถึงเรื่องโน้เรื่องนี้นะก็ไม่ใช่อันนี้ไม่มีสติฟังแล้วโกรธฟังแล้วโมโหฟังแล้วมันสะใจอันนี้ก็ไม่ใช่สตินะใหเวลาเราคุยเนี่ยจะเป็นผู้พูดผู้ฟังก็ตามเราฝึกให้มีสติได้นะแต่ถ้าเราฟังไป ถ้าเราเจริญสติไม่เป็นนะฟังไปไปเพ่งไปเพ่งที่คําพูดของเขาบางทีฟังไม่รู้เรื่องนะหรือว่าขณะที่ฟังเราก็บางทีบางคนยกมือสร้างจังหวะฟังไปยกมือสร้างจังหวะไปเลยฟังไม่รู้เรื่องก็มีเพราะว่าจิตมันไปจับอยู่ที่อิริยาบถการยกมือนะเพราะไปคิดว่าเจริญสติคือต้องยกมือนะงั้นพอยกมือไปฟังไป จิตมาไปจับที่การจิตหรือไปเพ่งที่การยกก็เลยฟังเขาไม่รู้เรื่องก็มีหรืออย่างที่เรานั่งฟังคําบรรยายเนี่ยนะถ้าฟังอย่างมีสติก็ก็ทำได้ก็คือว่าฟังเบาๆถ้าใจเผลอไปไปคิดเรื่องอื่นมีสติรู้กลับมาหรือว่าบางทีได้ยินประโยคหนึ่งแล้วก็สงสัยว่าคืออะไร ก็พยายามที่จะคิดไคล้ครวนโดยที่ไม่ไม่รู้ว่าอาตมาพูดไปถึงไหนแล้วนะบางทีไปติดอยู่กับข้อความบางข้อความประโยคบางประโยคก็เลยจมอยู่กับประโยคนั้นคิดแต่เรื่องนั้นอันนี้ก็ไม่มีสติได้เหมือนกันนะถ้าเรามีสติเราพอเรารู้ว่าเรา mm hmm. เราเร า, เราติดอยู่ที่ประโยคนี้เรากาลังคลุ่นคิดประโยคนนี้อา้าว เราลืมตัวไปแล้วนี่อาจารย์พูดไปถึงไหนแล้วเราตามไม่ทันแล้วเนี่ยต้องวางวางแล้วก็ไปตามดูว่าฟังว่าเขาว่าอะไรนะนี่เรียกเป็นการมีสติกับการฟังนะไม่ได้แปลว่าจะต้องอยกมือสร้างจังหวะด้วยแต่ว่าเราก็เจริญสติได้นะในขึ้นว่าเราต้องการมีสติกับอะไรเช่นบางคนอาจจะคิดว่าอยากจะมีสติกับการสร้างจังหวะ ก็ทำได้ระหว่างที่สร้างจังหวะสิ่งที่ได้ยินก็ได้ยินแบบศัพตะว่ได้ยินตมาพูดอะไรไปก็ก็ฟังแบบผ่านๆ น, นะแต่ว่าความรู้สึกตัวจะชัดอยู่กับการเคลื่อนไหวมืออันนี้ก็ก็ทำได้ก็เป็นการเจริญสติเหมือนกันนะแต่ถ้าฟังฟังไปด้วยตั้งใจจะฟังให้รู้เรื่องด้วยแล้วก็มียกมือสร้างจังหวะ เพื่อให้รู้ตัวรู้การเคลื่อนไหวด้วยทำสองอย่างพร้อมกันใหม่ๆก็ทํายากนะใเราต้องตั้งตั้งตั้งเจตนาก่อนว่าเราต้องการมีสติกับอะไรถ้ามีสติ ก, การยกมือสร้างจังหวะเราก็ยกมือไปเอาอิรียบทการยกมือเป็นเอเรียบทหลักส่วนการฟังนั้นเป็นเรื่องรองได้ยินบ้างได้ยินบ้างไม่ได้ยินบ้างก็ไม่เป็นไร รู้เรื่องบางไม่รู้เรื่องบางก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเราเอาการยกมือสร้างจังหวะเป็นเอเรียบทหลักนะแต่ถ้าเราต้องการมีสติกับการฟังเราก็ฟังอย่างเดียวอนะนะาจจะไม่จําเป็นต้องยกมือก็ได้หรืออาจจะใช้วิธีครึงนิ้วเบาๆนะเพื่อว่าเกิดมันเผลอใจลอยไอ้การครึงนิ้วความรู้สึกที่ครึงนิ้วก็จะเตือนให้กลับมาก็ได้ เพราะฉันบางคนอาจจะฟังโดยที่ไม่ได้ยกมือไม่ได้ยกมือสร้างจังหวะก็ไม่ผิดนะมีมีบางคนก็เห็นเห็นเพื่อนไม่ยกมือสร้างจังหวะขณะที่นั่งฟังคำบรรยายก็ก็ไปทักว่าทำไมไม่ไม่ยกมือนะอันนี้เหมือนกับว่าไปคิดว่าถ้าจะปฏิบัติถ้าเจริญสติก็ต้องนั่งไปด้วยยกมือไปด้วยอันนั้นไม่ใช่ อย่าไปคิดว่าคนที่เขาไม่ยกมือเขาไม่ได้ปฏิบัติเขาก็อาจจะปฏิบัติแต่ปฏิบัติที่การมีสติการฟังก็ได้นะเราต้องดูตัวเราเองอย่าไปดูคนอื่นเพราะมีบางคนเขาก็สงสัยไว้ทำไมคนนี้ไม่ยกนะแล้วก็ไปปาธนาดีก็ไปกระทุง้งไปไปชวนให้เขายกนะโดยที่เราไม่ได้เข้าใจว่าเขาอาจจะยัง เขาอจะต้องการมีสติกับการฟังมากกว่าการที่จะยกมือสร้างจังหวะก็ได้เราจับประเด็นให้ชัดว่าเราต้องการมีสติกับอะไรนะแล้วก็ใหม่ๆเนี่ยก็ควรจะทำอะไรเป็นอย่างๆทำอะไรเป็นอย่างๆคือว่ามีสติกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งมีสติกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นหลักอย่างอื่นเป็นรองไม่ใช่ว่า เดินจงกรมไปด้วยก็ไปตามลมหายใจด้วยนะอันนี้ก็ไม่ถูกหลองที่เราเดินจงกรมอ่าล้วก็เอาการเดินเป็นเป็นหลักอยู่ในริยาบทหลักส่วนเรื่องอื่นเป็นลองอาจจะหายใจบ้างรู้สึกตัวเวลาหายใจบ้างกับพิษตาบ้างกลืนทำลายบ้างอันนั้นเป็นลองนะถ้าเราทำหลายอย่างพร้อมกันอันนั้นการเจริญสติก็จะลาบากเพราะว่าจิตมันก็จะสับสนว่าตกลงเอาอะไรแน่นะ จริงๆถ้าความรู้สึกตัวทั่วพร้อมมันเกิดขึ้นแล้วมันก็รู้สึกรวมๆไปแหละมันไม่ได้จด จ, จ่อที่อันแดอันหนึ่งแต่ว่าคนที่ปฏิบัติใหม่ๆก็ต้องมีอะไรเป็นอารมณ์หลักเป็นอิริยาบถหลักนะไม่ใช่อารมณ์หลักแต่เป็นอิริยาบถหลักก็ได้เราก็ให้เข้าใจนะเรื่องการปฏิบัติว่าการเจริญสตินี่เราสร้างความรู้สึกตัวได้ในทุกอิริยาบถนะไม่จําเป็นว่าจะต้อง เกิดจากการเดินจงกรมการสร้างจังหวะอย่างเดียวอเอาก็พูดกันเท่า น, นี้กลับหักพ้มกัน